ข อ, อนอบน้อมพระรัตนตัยขออากาศหลงพ่ อ, อกรมครูบาจารย์ทุกรูปแล้วก็ออก า, ออ ก, าออกาศเพื่อนธรรมมิทุกท่านนะจะเดินในธรรมนะไม่ชีแล้วนะักปฏิบัติธรรมทุกคนเนาะนั่งกันตามสบายเนาะนั่งทำใจสบายๆเนาะนั่งทำกายสบายๆ ความสบายคือเรียกว่ามันเป็นปัสสธินะภาษาธรรมเรียกว่าปัสสธินะผ่ อ, อนคลายนะผ่อนคลายแบบสงบนะเราต้องดูนะทำให้ร่างกายมันมันผ่อนคลายนะจิตใจผ่อนคลายนะบางทีเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมเราเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเนะี่ยบางทีมันจะตั้งท่านะตั้งท่า ที่มันผิดธรรมชาตินะนั่งก็จะนั่งตรงเกินไปนะมีที่เมืองจีนนะท่านเวรยหลางนะวัดที่ท่านนะละสังขารท่านก็มีศพของท่านเวรหลางตั้งอยู่นะท่านก็นั่งทำท่าปกตินะนั่งก็พอดีพอดีแล้วก็ ตรงใกล้ๆนะร่างของท่านก็จะมีร่างของลูกศิษย์อีกสองอีกสองท่านเนาะจะอยู่ข้างซ้ายกับข้างขวาข้างหนึ่งก็นั่งยืดตัวตรงนะตรงมากๆแบบรู้ว่าแบบยืดมากเกินไปเนาะอีกข้างหนึ่งนะก็นั่งงอค อ, อ, อตกๆนะนะอยู่อยู่ขนาบขอบท่านไว้หลางนะ่คือ ท่านเวดางเองก็ดีหรือว่านกสิตของของท่านทั้งสององค์ก็ดีก็เหมือนเป็นปริศนาธรรมเนะสอนว่าเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนทางสายกลางนะความพอดีเป็นแบบนี้เนาะแม้แต่การนั่งก็ดีนะหรือว่าลูกศิษย์ทั้งสององค์ที่จริงก็ท่านก็เป็นคนที่รู้ธรรมะท่านสูงเหมือนกันแหละแต่ท่านเนะ ต้องการนะให้ร่างกายของท่านแมนะ้ละสังขารเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็เอารูปตรง น, นั้นแหละมาเป็นตัวสอนธรรมะนะให้เห็นว่าทางสุดตง่งสองทางเนี่ยคือทางที่ไม่ควรเดินนะคือมันตั้งใจเคร่งเครียดนะตั้งใจจนเคร่งเครียดนะแต่ตั้งใจแบบตั้งมั่นเนี่ยได้นะมันต่างกันนะนะเหมือนเราตั้งใจทำอะไรแล้วเรา ทำมันยังมีความสุขทำมันยังผ่อนคลายไอ้แบบนี้ดีนะน่าสรรเสริญนะเช่นพวกเราหลายท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมนะเออเป็นประจำทุกวันนะทุกขณะความตั้งใจที่เราจะปฏิบททัติธรรมความตั้งใจในการทำงานทำความดีต่างๆไอ้แบบนี้เป็นสิ่งที่ที่ถูกทางแล้วก็ถูกต้องเนาะนะ แต่บางขณะบางทีถ้าเราตั้งใจจะทั้งเกิดความเคร่งเครียดนะจริงจังนะเราจะดูได้แบบไหนว่าเราเคร่งเครียดเกินไปก็คือดูว่าคือเราเมื่อเราติดอารมณ์นะเวลาเราทำงานแล้วมันติดอารมณ์แล้วมันมันคลายไม่ออกนะมันไม่หลุดเช่นเวลาเราทำงานแล้วมันพอทำงานเสร็จไปแต่ใจเรามันก็ไม่เสร็จตามไปด้วยนะ ตอนก่อนจะนอนก็ยังคิดถึงเรื่องงานที่จะทำนะหรือบางทีก็เผลอฝันนะเรื่องการงานที่จะทำหรือบางทีเราเคยสังเกตไหมเวลาเร า, เาทางานไปแล้วก็พอพักเที่ยงหรือว่าพักทานอาหารเนะี่ยจิตมันก็กังวล น, นะหรือว่าคิดแต่เรื่องการเรื่องงานที่ทาเมื่อสักครู่นี้อันนี้แสดงว่ามันมันจริงจังมากเกินไปเนาะ แต่การปฏิบัติธรรมเราตั้งใจทำงานแต่พอเราวางเรื่องงานเราก็มาอยู่กับงานอย่างอื่นที่เราทำนาะงานอย่างอื่นบางทีอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ตอนนั้นแหละคือเป็นการฝึกให้เราได้รู้จักวางนะวางอารมณ์แต่ละขณะอย่างเช่นเรากลับมาอยู่กับการทานข้าวนะหรือเรากลับดงจากเนี้ยเราก็กลับไป วางเรื่องการฟังธรรมเมื่อตอนนี้นะต่อไปแล้วก็เดินกลับไปที่กุฏิเดินไปที่ศาลาหน้าหรือไปเดินบินทบาทอันนี้ก็คืองานที่ที่เราทำแต่ละขณะจะเรียกว่าตั้งใจนะแต่ก็ต้องเมื่อมันติดอารมณ์อะไรต่างๆก็ต้องเรียกว่ารู้จักวางให้ได้นะเหมือน เมื่อคืนอาจารย์ออสก็พูดว่ามันเราต้องรู้ทันนะบางทีบางอย่างเราก็ชอบใจนะบางอย่างก็ไม่ชอบใจการมีสติจะช่วยให้เราละเนี่ยละความพอใจความไม่พอใจนะในจิตออกไปนะแม้จะเรื่องที่พอใจนะฟังธรรมแล้วมันดีนะหรือปฏิบัติธรรมแล้วมันได้อารมณ์ดีนะบางทีเราก็ไม่ละมันเนาะเราก็พยายามที่จะ ประคองมันหรือว่าบางทีเราก็ไปแช่กับอารมณ์นั้นหรือความไม่พอใจนะความไม่ชอบใจมันก็เกิดขึ้นเราก็รู้ไม่ทันมันเราก็ไปอินกับมันเราก็ไปนะไปเศร้าไปไม่พอใจกับมันนะที่จริงเนี่ยแหละทางสายกลางคือเนะี่ยคือการรู้ทันนะรู้ทันสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเนาะนะมันไม่พอดีเป็นแบบไหน ความไม่พอดีนั่นแหละมันจะบอกว่าเออมันพอดีให้มันพอดีคล้ายๆเหมือนเรากินข้าวไปใช่ไ้ยกินไปเรนะื่อยแล้วมันอิ่มมันจุกเนะี่ยอันนี้คือมันไม่พอดีแต่ความไม่พอดีมันเตือนให้เรารู้ว่าเออเราควรพอได้แล้วนะอันนี้แหละความไม่พอดีหรือความหลงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่านะมันไม่ใช่ความไม่มีข้อดีนะนะ ข้อดีของมันก็คือเตือนให้เรารู้ว่ามันไม่พอดีแล้วนะเราพอได้แล้วใช่เหมือนเราขับรถนะเราขับรถมันมีเลนะที่มันชัดเจนนะนะถ้าเราขับรถไปเราไปกินเลนด้านขวาเกินครึ่งถนนไปแล้วมันก็คือเตือนให้เรากลับมาฝั่งซ้ายไม่ให้ออกไปฝั่งขวานะใช่หหรือเราขับรถตกไปฝั่ง ซ้ายจะตกข้างถน น, นเราตกขอบทางมันก็คือการเตือนให้เรากลับมาเข้ามาอยู่ในทางทั้งนั้นการภาวนาจริงๆคือการเรียนรู้จากสภาวะที่มันเป็นความหลงไม่ว่าจะหลงด้วยความโกรธก็ดีหลงด้วยความอยากก็ดีหรือว่าหลงด้วย ความปรุงแต่งตามอารมณ์ตามภาษะต่างๆก็ดีนะมันก็คือเป็นการให้เราได้รู้จักมันนะถ้าเราเรียนรู้รู้จักเขาเนี่ยเราจะเท่าทันเขาได้ได้บ่อยขึ้นนะอย่างความโกรธเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะไม่ใช่ว่าเราต้องแบบข่มเขานะหรือบางทีถ้าเราไม่ทันเราก็ทําตามเขาเนาะ แต่ความโกรธเนี่ยมันเตือนให้เรารู้ทันตัวเองเนาะถ้าเราโกรธแล้วเห็นไหมเห็นร่างกายมันร้อนๆอนขึ้นไหมนะเห็นการหายใจมันอึดอัดขัดแน่นไหมนะเห็นเนี่ยอันนี้คือร่างกายเขาก็แสดงเช่นมันร้อนมันแน่นหนะ้า อ, อกหรือร่างกายเราก็เกรงเกงนะทาอะไรก็เกรงเกงไม่สบายกายหรือถ้าเราจะดูที่ใจนะ ก็ดูที่ใจมันก็มันก็ทุกไหมเวลามันโกรธใช่ไหมเราเห็นความทุกข์ในใจไหมนะเราเห็นความอยากจะพุ่งไปทําร้ายหรือว่าไปเอาคืนไปแสดงนะบางอย่างออกไปหรือเปล่าอันนี้คือถ้าเราสังเกตดูทันมันเนาะเราก็จะไม่เป็นทาตมันนะสติเนี่ยก็คือช่วยให้เราเรียกว่าเป็นอิสระนะ จากอารมณ์นะแต่เราจะเป็นอิสระจากอารมณ์ได้เราต้องรู้ทันมันก่อนนะถ้าเราไม่รู้ทันเนะี่ยเราจะไม่เป็นอิสระนะเราจะโดนเขาครอบงํานะเราจะโดนเขาครอบงําแต่ถ้าเมื่อไรเรารู้ทันเราก็จะถูกนะถูกอ่าเราก็จะออกจากความครอบงําได้นะคล้ายๆเหมือนเราอยู่ในห้องถ้าเรา รู้ว่าหน้าต่างหรือว่าประตูมัน อ, อยู่ทางไหนเราก็จะสามารถเปิดออกมาได้เนาะเรารู้ว่าเราอยู่ในที่มืดเราก็เปิดประตูเปิดหน้าต่างเราก็ออกจากที่มืดได้นอะอันนั้นการรู้นะการเรียนรู้สภาวะต่างๆเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกุญแจที่สาคัญเนาะนยอย่างพระเจ้าเจ้าท่านสอนนะ่ะทุกคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้เนะ แังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นทุกเราเรียนรู้จากความทุกนั่นแหละถูกทางเนา ะ, นะท่านย่อออกมาให้เราเนี่ยกายกับใจนี่นแหละคือตัวทุกดัง น, น, นั้นการภาวนาคือเรากลับมาเรียนรู้กายกับใจนี่นแหล ะ, ะเขาสอนสภาวะทุกเราก็เรียนรู้มั น, นเราจะไปพยายามเรียนรู้เรื่องนอกตัวให้มัน มากเนาะบางทีวิชาความรู้ทางโลกเนี่ยมันมีเยอะมากเรียนไม่จบไม่สิ้นนะแต่ถ้าเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพเรียนรู้เพื่อใช้ในการใช้ชีวิตบ้าง อ, อันนั้นก็ไม่ได้ผิดแต่บางทีสมัยนี้นะข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆมันเยอะมากนะบางทีเราก็หลงไปเรียนรู้กับมันมากเกินไปนะมันก็ทําให้เราเสียเวลาเนิ่นช้านะ หรืออีกอย่างหนึ่งก็ฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านนะแต่เราก็เรียนรู้เท่าที่จำเป็นเอามาใช้การใช้งานนะก็โอเคแต่สิ่งที่เราต้องตระหนักวิชาที่สำคัญคือกลับมาเรียนรู้นะกายใจของเราเนี่แหละนะมันเป็นวิชาที่จะนำพาจิตใจพ้นจากความทุกขนะ์เรากลับมาเรียนรู้ดูสภาวะนะอย่างที่เราสร้าง จังหวะนะเราฝึกเจริญสติเนี่ยแหละมันเป็นการให้เราเห็นนะเห็นสภาวะต่างๆเขาแสดงพร้อมๆกันนั่นแหละนะร่างกายก็อยู่ในสภาวะนะที่มันทุกขนะ์หายใจนะเข้าไปมันทุกข์นะมันถึงต้องหายใจออกมานะเราลืมตามันก็ทุกข์นะมันถึงต้องกระพริบตานะ เรานั่งคิดว่านั่งสบายแล้วแต่มันก็ต้องขยับเขยืน่อนะร่างกายปรับเปลี่ยนให้มันคลายจากความทุกข์เนี่ยคือร่างกายเขาก็มีสภาวะทุกข์เนาะมันก็ต้องแก้ไขไปนะแต่กลไกของร่างกายเขากแก้เขาก็แก้ไขไปตามธรรมชาตินะแต่เราอย่าไปซ้ําเติมนะร่างกายให้มันทุกข์มากเกินไปเนาะอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้นมาก็ดูเออ มันก็เย็นเย็นอยู่เนาะเปิดพัดลมนะมันก็หนาวนะใช่ไหมไอ้แบบเนี้ยไอ้ลมหนาวแบบเนี้ยเราแก้ได้นะเราปิดได้นะเราไม่ต้องให้มันหนาวเกินไปก็ได้แต่ถ้ามันหนาวโดยอากาศเราแก้ไม่ได้ไอ้แบบนั้นก็เรียนรู้ปรับตัวกับมันได้นะนะบางอย่างนะบางอย่างเราทำให้มันทุกข์มากเกินไปอันนี้เราก็ถ้าบางอย่างเรา แก้ไขปรับเปลี่ยนได้แล้วก็แก้ไขนะครนะูบาอาจากกรย์ท่านก็สอนร้อนเราก็อาบน้นําหนาวเราก็ผมผ้านะหิวมันก็กินนะแต่บางทีเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนาะแบบมันก็ต้องแบบหิวก็ต้องอดหรือว่าหนาวก็ต้องทนร้อนก็ต้องทนนะเราจะทนก็ต่อเมื่อว่ามัน ไม่สามารถแก้ไขได้เราก็เราก็ทนนะเราก็ยอมรับมันแต่ถ้าบางอย่างมันแก้ไขปรับเปลี่ยนได้เราก็ใช้สติใช้ปัญญาเนะี่ยปรับเปลี่ยนนะแต่ถ้าใครจะมองเป็นเรื่องการเรียนรู้ดูเวทนาอันนั้นก็ได้นะนะเช่นบางทีก็จะมีคำถามบ่อยๆเรานั่งนานๆถ้าเราปวดแข้งปวดขาต้องปรับเปลี่ยนไหมนะบางที ในสายเราบางทีครูบาอาจารย์ก็บอกก็เปลี่ยนยังมีสตินะเวลาเราเปลี่ยนขาท่านั่งหรือเราเปลี่ยนไปเดินนะเราก็ลุกขึ้นอย่างมีสติอันนี้ก็ถูกนะแต่บางวิธีเขาก็แนะนําให้เราดูเวทนานะที่มันแสดงนะเห็นเวทนาที่มันเปลี่ยนแปลงนะจากเจ็บในน้อยกลายเป็นเจ็บมากๆหรือว่าดูไปเรื่อยๆจะทั่งมาอาจจะเจ็บน้อยลงนะ อันนี้ถ้าเราเห็นเวทนาของกายนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปหรือถ้าเราดูมีสติเห็นความรู้สึกในใจนะที่มันให้ค่ากับเวทนานั้นนั้นมันคงที่ไหมนะถ้าเราดูได้อันนี้ก็จะเกิดสติปัญญานะนะเห็นความไม่เที่ยงนะของกายของใจนะเห็นความเป็นทุกข์ของกายของใจเห็นเหตุปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะ ในกายในใจนี่แหละอันนี้ถ้าดูแบบนั้นได้ก็บางคนก็ทนนะอดทนในท่านั่งเดิมๆอดทนทำอะไรนานๆแต่ไม่ใช่ทนเพื่อทนทุกข์แต่ทนเพื่อเรียนรู้ว่าทุกนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นแหละนะมันมีความไม่เที่ยงนะเราไม่ได้ทนเพื่อที่จะฝืนเอาชนะนะถ้าทนเพื่อฝืนที่จะเอาชนะมันจะกลายเป็นมานะ นะเป็นอัตตานะที่รู้สึกว่า เ, ออเราเก่งเราแน่เราดนะีเราบังคับไดนะ้ถ้าภาวนาแบบนั้นมันจะกลายเป็นการ เ, ออเพิ่มอัตตามนนะนะตัวตนที่มันใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเราภาวนาเพื่อละอัตตามานะคือมองมันเป็นเพียงแค่สภาวะนะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะอันนี้คือ มันก็แล้วแต่เนาะว่าแต่ละคนจะทนนั่งนะเพื่อดูสภาวะก็ได้หรือบางคนไม่ถึงกับทนขนาดนั้นนะแต่ก็เปลี่ยนขนาดที่เปลี่ยนก็เปลี่ยนอย่างมีสติรู้สึกตัวก็ได้นะอันนี้คือมันก็ไม่ใช่ว่ามันมีผิดถูกตายตัวเนาะแต่สิ่งที่มันถูกทางคือเราเรียนรู้สภาวะของกายของใจนะ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะถ้าเราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันย่อมอยู่ในทางของการเรียนรู้สภาวะของกายแล้วก็ของใจนะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะเรียนรู้แบบไม่ปฏิเสธเลยนะต้องยอมรับความจริงนะการเรียนรู้เนี่ยเพื่อให้เราเกิดการยอมรับมันเนาะไม่ใช่ว่าปฏิเสธความจริงนะร่างกายมันเป็นจริงแบบไหน เราก็ยอมรับว่ามันเป็นมันถูกแล้วนะมันหิวก็ถูกแล้วมันร้อนก็ถูกแล้วมันหนาวก็ถูกแล้วมันเจ็บก็ถูกแล้วนะแต่ถ้าเราใจเราไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันจะเกิดการดิ้นรนเนาะดิ้นรนแล้วก็มันก็จะเป็นความทุกข์ของใจนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรายอมรับเนี่ยมันก็ทำให้จิตมัน มันพ้นจากความทุกข์หรือว่ามันเบาจากความทุกข์นะอย่างหลายคนเวลาพอไม่สบายเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งหนึ่งบางทีจิตมันก็คือเกิดการปฏิเสธว่าทำไมต้องเป็นเราด้วยนะหรือว่าเราไม่อยากเป็นแบบนี้นะหรือบางทีเราก็จะลงไปเปรียบเทียบตอนที่เราปกติเราแข็งแรงนะ กับตอนนี้เราต้องไปอยู่โรงพยาบาลนะเราต้องรักษาเราต้องกินยาถ้าไปคิดเปรียบเทียบ ม, มันก็ทุกขนะ์ทำไมเราต้องต้องเป็นเราที่ต้องป่วยนะทำไมต้องเป็นเราที่เจ็บนะทำไมเราไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมที่ไม่เป็นอะไรอยู่นะพอคิดนะมันก็เลยทุกขนะ์แต่จริงถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันเผลอไปคิดนะนะมันก็จะไม่ปรุงทุกข์นะ เราจะเห็นว่าความทุกข์เนี่ยทุกใจนะเราปรุงเองนะแต่ทุกกายมันเป็นเรื่องของสังขารนะเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยของร่างกายด้วยโรคภัยไข้เจ็บด้วยไวย้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันจะเห็นมันจะแยกได้ว่าอ๋อความทุกกายนะมันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยของรูปนะรูปมันก็เป็นเรื่องของรูปนะก็ปล่อยให้เป็น หน้าที่ของลูกนะปล่อยให้หน้าที่ในการดูแลรักษาเยียวยาไปมันจะดีขึ้นมันไม่ดีขึ้นก็ตามเหตุตามปัจจัยแต่เรื่องของใจเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องรักษาจิตใจตัวเองนะให้ไม่ไปรปุงแต่งต่อนะอย่างตามาเองหรือว่าผมเองก็มีโอกาสนะไปคุกคีนะกับคนป่วยนะคนเจ็บนะบ่อย ช่วงนี้เรียกว่าไม่อยู่วัดก็อยู่โรงพยาบาลนะไปดูคนป่วยที่เป็นญาติบ้างไปดูคนป่วยที่ไม่ได้รู้จักบ้างนะแต่ก็ไปทําไปร่วมโครงการกับนะทางหมอพยาบาลที่เขาเรียกว่าดูแลผู้ป่วยแบบประครับประคองนะนะได้ไปเยี่ยมคนป่วยแบบนอนหายใจด้วยท่อนะต้องใช้ท่อช่วยหายใจนะหรือ ป่วยเพราะความต้องติดเชื้อในปอดติดเชื้อในเลือดนะก็เห็นความทุกข์ทรมานนะของนะของทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจคนป่วยหนักนะบางคนก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วไม่มีที่พึ่งละหมายถึงว่ายาก็พึ่งได้แค่บรรเทาเฉยๆแต่ก็รักษาไม่ได้หลายท่านก็ทุกนะทุกทั้งกายทุกทั้งใจนะ แต่ก็ได้ไปเยี่ยมนะบางคนพอเห็นพอเห็นพระนะเข้าไปเยี่ยมจิตใจเขาก็เกิดปิติขึ้นมานะเกิดปิติที่ได้เห็นพระนอนอยู่บนเตียงก็ทุกข์นะเขาเกิดความดีใจร้องไห้น้ําตาไหลนะแต่ก็เมื่อกี้เศร้ามันก็เป็นความหลงแบบหนึ่งนะเมื่อกี้ดีใจมันก็อาจจะมากเกินไปนะเป็นปิติ ทำไงเราถึงจะกลับมาตรงกลางนะก็เอาแนวทางที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่แหละนะนะให้เขาดองพลิกมือนะพลิกมืองายพลิกมือควา่านะพลิกมืองายพลิกมือคว่ำนะเขาก็ทําไปนะทักพักหนึ่งนะไม่ถึงนาทีสองนาทีนะทำไปไอความดีใจที่เมื่อกี้มันจนน้ําตาไหลนะมันก็น้ําตาก็ หยุดไหก็นิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือเป็นรอยยิ้มนะเป็นรอยยิ้มแบบมีความสุขนะสุขใจที่คงไม่ใช่แค่สุขใจแค่มีคนมาเยี่ยมแต่คือสุขใจที่เหมือนอ ม, มันเห็นความสงบที่เกิดขึ้นนะในจิตใ น, ในใจของตัวเองนะเห็นเราเห็นไปอยู่ตรงนั้นแค่ไม่กี่นาทีนะ จากตอนแรกที่เขานอนเศร้านะจมกับความทุกขนะ์พอเห็นมีคนมาเยี่ยมนะก็ดีใจ น, ะน้ำตาไหลแต่พอเอาสติมาดึงจิตกลับมานะกลับมาอยู่ตรงไหนกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะใจมันก็พลอยกลับมาเป็นปกตินะ แต่เป็นปกติที่เรียกว่ามีความสงบนะแล้วก็มีความสุขน้อยๆ น, นะมีความสุขน้อยๆที่หล่อเลี้ยงนะถ้าเรามีความสุขน้อยๆแบบนี้คอยหล่อเลี้ยงนะเวลาร่างกายมันมีทุกข์มากๆนะจิตมันก็เรียกว่าอาศัยเรียกว่าธรรมโอสถตัวนี้มาคอยหล่อเลี้ยงนะนะก็จะคอยบอกเขาว่าเนี่ยหนึ่งร่างกายนะก็เป็นเรื่องที่ เราก็รักษาไปตามอาการเนาะคุณหมอคุณพยาบาลนะหรือญาติพี่น้องก็ค็ช่วยดูแลเราเต็มที่นะแต่หน้าที่เราคือดูแลใจของเรานะให้มันไม่ทุกข์นะดูแดดูแลใจให้มันไม่กังวล น, นะดูแลใจให้มันกลับมาเป็นปกตินะแต่ก็พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าใจมันจะเผลอไปไม่ได้เนาะนะใจมันอาจจะเผลอไปทุกข์ เผยไปกงังวลเผอไปคิดนะแต่เนี้ยเครื่องมือสาคัญเนาะเรากลับมาเรากลับมาหาหากลับมารู้ตัวนะไม่ว่าจะทำอะไรก็กลับมารู้ตัวนะีพอเราทำแบบนี้เนาะมันก็เป็นการเรียกว่าให้ใจกลับมาเป็นปกตินะอันนี้คือไปสอนคนป่วยนะเวลาเขามีความทุกข์นะก็เอา วิธีฝึกสตินะแบบที่หลวงพ่อท่านสอนนั่นแหละนะเอาไปประยุกต์นะแต่บางคนถ้าเคลื่อนไหวไม่ได้ก็นะเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้ก็ให้เอาคำภ า, าวนาออกนะให้คิดถึงพุทธโทในใจออกก็ได้นะบางทีเขาเคลื่อนไหวไม่ได้เนาะเราก็ไม่รู้นะหายใจเขาจะรู้ได้ดีหรือเปล่านะแต่คิดว่าถ้า ร่างกายมันมีการได้ยินนะมีปฏิกิริยาแต่อย่างน้อยก็เอาพุโทโธในใจนะให้ลึกถึงพุโทโธลึกถึงพระพุทธเจา้านะให้ใจระลึกตรงนั้นนะแต่แบบให้ทำแบบสบายๆนะอย่าไปอย่าไปเครียดเกินไปก็เ <th> ห็นนะเห็นความเปลี่ยนแปลงของของจิตใจคนป่วยนะบางท่านนะที่ ที่ก็กลับมาอยู่กับพุโทโธได้นะมีคนหนึ่งนะไปเยี่ยมเตียงข้างๆอปรากฏว่าพอไปถึงก็เขานอนร้องเสียงดังมากร้องโอดครวญ น, นะร้อแบบโอ้ยโอ้ยแบบเสียงดังไปทั้งบอร์ดเลยนะแล้วมาก็เห็นเยอะแต่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมนะตอนหลังก็ถามหมอพยาบาลว่าเขาเป็นอะไรอยู่นะก็รู้สึกเป็นมะเร็งด้วยแล้วก็เป็นโรคไตไม่ได้ล้างไต อาจจะมีอะไรเป็นพิษอะไรไม่รู้นะอลยอยังทำไม่ได้ทุกเขเวทนาเขาเจ็บมากนะนอนร้องโอ้ยโอ้ยอยู่ต้องานานพอเราไปก็พยายามไปดึงก่อนนะดึงไหนนดึงให้เข า, เาพระมาเนานะหมอพยาบาลก็เอาสังฆทานมาให้เข า, เามาทำบุญกันนะมาถวายสังฆทานกันนะ ก็พาเขาเกล่าวคำถวายทานนะเมื่อกล่าวคำถวายทานเสร็จอ่ะชวนเขาสวดมนต์นิดนึงนะอ่าหั่งสัมมานโมูตสะอนะไรเนี่ยนิดหน่อยนะพอกลับมาแล้วครั้นี้อ่ะต่อแบบไหนอ่าเดี๋ยวว่าพุโทโธในใจเนาะเนี่ยออกซิเจนก็ครอบปากเองนะแต่ก่อนก็ร้องโอ้ยโอ้ยนะต่อไปก็แบบเปลี่ยนจังหวะแทนน ะ, นะพุโทโธ โทในใจอนะ่ะก็เสียงดังออกมานิดหน่อยนะแต่มันก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนกิริยาแต่ก่อนร้องโอ้ยเนี่ยใจมันทุกข์นะพอตอนหลังมาร้องเป็นพุโทโธแทนนะเพื่อให้จิตมันได้ระบายความทุกข์ของกายนะก็พุโทโธพุทโธออกนะแต่เสียงแบบก็รู้ว่าก็ไม่สบายกายอยู่และนะแต่ก็รู้สึกว่าจิตมันนิ่งขึ้นนะ แม้ไม่ได้ไปทั้งหมดนะแต่ก็ก็เห็นผลว่าเออพอเราเอากรรมฐานเนาะไปช่วยให้เขาได้จับนะความรู้สึกตัวเนะี่ยอย่างน้อยก็เวทนามันก็ลดลงไปเยอะนะแต่ก่อนที่ร้องโอยก็คือหลงไปเป็นผู้ทุกเนะเป็นผู้เจ็บนะแต่พอจิตออกมานะเกาะกับพุทโธก็ดีนะ หรือว่าเกาะมาดูการเคลื่อนไหวก็ดีนะจิตมันก็ดูดออกมานะความเจ็บมันก็ลดลงไปอันนี้ก็คือสิ่งที่หลวงพ่อนะท่านก็สอนหลวงพ่อท่านตอนที่ท่านป่วยท่านก็แสดงสภาวะของผู้ที่นะป่วยแต่กายเนาะแต่ใจไม่ป่วยนะมันเป็นสภาวะที่แยกกันออกมาได้นะเราเองก็ต้องทำเหตุนะ ทำเหตุก่อนที่จะเกิดแบบนั้นก็คือเนี่ยแหละสร้างความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะจนทางมันเกิดนะการรู้สึกตัวแยกรูปแยกนามได้นะเห็นความทุกข์ของรูปเห็นความทุกข์ของนามนะเห็นไตรักษนะรู้อะไรสมมุติอะไรเป็นปรมัตาร์นะค่อยๆนะค่อยๆพัฒนาไปอันนี้คือเหตุนะเหตุที่เราต้องทนะํานาะ เราจะไปคิดแต่ว่าเราอยากจะได้ผลนะไม่อยากไม่อยากทุกนะอยากจะได้ธรรมะอยากจะพ้นจากความทุกนะเราตั้งใจที่จะทำเหตุนะโดยที่เราพยายามที่จะละความอยากที่จะได้ผลนะแต่เรามีเป้าหมายในชีวิตเราได้นะเป้าหมายในชีวิตนะเราอยากจะบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เราอยากจะปฏิบัติธรรมนะ เพื่อความพ้นทุกข์ไอแบบเนี้ยตั้งใจได้นะเป็นความตั้งใจแต่พอตอนปฏิบัติเนี่ยต้องดื่มไปก่อนนะต้องวางไปก่อนถ้าเราไม่ดื่มเราไม่วางมันจะคอยเที่ยวแต่เที่ยวตามหานะตามหาสภาวะนะที่มันเรายังไม่มีเรายังไม่ได้นะแล้วมันก็จะทุกข์นะบางทีเราก็จะไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้แล้วก็ทุกข์นะอันนี้คือ เราต้องวางสภาวะตรงนั้นนะแต่มันก็บางขณะนะทำมาแล้วสามเดือนปีหนึ่งนะมันเอ้ยไม่ก้าวหน้าไอ้แบบนี้นประเมินได้นะนะประเมินได้ว่าทําไมนอนะมันถึงเป็นแบบนั้นบางทีเราก็อาจจะเห็นว่าเออเราเพ่งเกินไปนะเราเครียดเกินไปก็ทําให้ผ่อนคลายมากขึ้นแต่บางทีเราก็ประเมินตัวเอง เราหย่อนเกินไปเนาะนะตอนทำในรูปแบบเราก็ตั้งใจแต่พอออกนอกรูปแบบเราก็เผอใจไม่บ่อยนะเผอไปรั่วทางปากนะสนุกพูดสนุกกินนะเผอไปรั่วทางความคิดนะสนุกปรุงแต่งนะอันนี้เราก็ต้องประเมินตัเองถ้ามันเผอบ่อยรั่วง่ายนะก็ต้องอาศัยความสำรวมระวังเข้ามาช่วยนะ อาศัยสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งใจน่แหละมาช่วยนะเรียกว่าเป็นอินทรีส um ัมวร์นะหรือถ้ามันเค้่งคลัดเค้่งเครียดเกินไปนะยึดมั่นถือมั่นนะติดอารมณ์ออกไม่ได้เนี่ยแต่ว่ามันจริงจังมันทุกข์เกินไปนะก็ต้องบางทีก็เปลี่ยนอารมณ์เนี่ยทำปฏิบัติในรูปแบบแล้วมันติดอารมณ์นะ หรือทําการทํางานแล้วติดอารมณ์กับคนนั้นคนนี้บางทีก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นบ้างนะมีงานที่วัดมีเยอะนะกวาดดานวัดเลยสิกวาดดานวัดไปนะเดินไปกวาดไปนะนะหรือกวาดถูสารานะรดน้ําต้นไม้นะตัดหญ้าอะไรแบบนะี้ยให้มันเปลี่ยนอารมณ์นะเปลี่ยนอารมณ์ที่เป็นกุศลนะทางานอัิเรกทํางานที่ เรารู้สึกผ่อนคลายแบบนนีะ้มันก็จะช่วยให้เราออกมาจากอารมณ์ที่มันมันติดมันแน่นนะมันเครียดเนาะนะนะอันนี้เราก็ต้องรู้จักรู้จักเปลี่ยนอารมณ์บ้างนะแต่ถ้ามันหย่อนเกินไปนะมันก็จะไม่ค่อยเกิดผลเท่าไหร่แม้ภาวานานา น, า น, านานนะแต่บางทีเราก็เกิดดูรั่วนะหรือว่ามันมันหายไป ตอนที่เราไม่ได้ตั้งใจมันเยอะมันก็ไม่ค่อยเกิดผลไอ้แบบนี้เราก็ต้องประเมินด้วยนะแต่ก็ทำไปนะอย่าไปคาดหวังนะจะอยากได้นั่นเยอะอยากได้นี่เป็นนั่นเป็นนี่นะมันจะทุกข์ใจเปล่าๆนะหน้าที่เราคือทำเหตุให้มันดีที่สุดนะมันจะเกิดผลเมื่อไหร่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเราดูดีๆนะมันก็เกิดผลทุกวินาทีที่เรารู้ตัวนั่นแหละนะ สังเกตดูถ้าเรารู้ตัวจิตมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะจิตมันก็เป็นปกติแล้วนะพอเรารู้ตัวไม่ว่าเราหลงไปเมื่อกี้นะพอเรารู้ตัวมันก็ไม่ไม่หลงไปแล้วนะมันก็หยุดความคิดหยุดการปรุงแต่งแล้วเนี่ยเพ่งแค่ชั่วขณะหนึ่งนะมันมีค่ามากนะให้เราพอใจในการทำทีรักณะเนี่ยให้มันดีที่สุดนะ สะ ส, ส, สมการรู้ตัวทีละขณะทีละขณะนี่แหละมันเป็นการตัดนะพบตัดชาตินะจ ร, จริงเลยนะพบชาติคือการปรุงแต่งนี่แหละเมื่อรู้สึกตัวกลับมาจากความคิดปรุงแต่งเนะนี่ยเรียกว่าตัดพบตัดชาติไปแล้วนะทีละขณะนะแต่มันจะเผลอไปอีกก็ไม่เป็นไรก็รู้ตัวใหม่ก็รู้ตัวใหม่นะตนะแต่ก็อย่าไปเกาะนะไปพยายามที่จะ ต้องรู้ตลอดห้ามหลงนะมันจะกลายเป็นการบังคับเป็นการเพ่งรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้เป็นครั้งนะเหมือนที่หลวงพอเทียนพาทำเนะี่ยพิกรู้ยกรู้นะวางรู้นะรู้เป็นครั้งนะรู้ก็วางหลงก็วางนะเนะี่ยทำเป็นขณะให้เราจิตมันอยู่กับปัจจุบันทีละขณะเนี่ยนี่คือ คือทางสายกลางเนาะคือทางที่เรากำลังเดินทางกันเนาะก็ขอให้พวกเราทุกท่านเนาะก็ตั้งใจเดินทางตรงนี้นะด้วยความสุขด้วยความผ่อนคลายนะด้วยความตั้งใจนะก็ขอให้ทุกท่านได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเถิน